ของพวกท่านทั้งหลายคือทำรรวินัยพระพุทธเจ้า ว, วางไว้อวัตธรรมวินัยนี่แหละที่เป็นาศาสดาแทนพระพุทธเจา้าให้พวกเราเคารพทำวินัยกัเคารพเหมือนเคารพพระาศาสตราสำมาสั ม, ม, สมพพระเจ้าคือต้นาศาสนาเพราะเหตุใดเพราะพระพุทธเจ้าบัญญัติทำวินัยให้พวกเราเป็นแนวทางสําหรับให้ประพฤติธปฏิบัติเพราะนั้น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 นิส ก, กียปาจิติจนถึง227ยถ้าว่าเราอยากจะรู้ในรายละเอียดไปกว่านั้นอีกเป็นภาษาไทยเข้าใจได้ง่ายก็เจ้าปรคุณสมเด็จมหาส ม, มาณะเจ้าท่านกบพิมพ์ไว้ในวินัยมุกเล่มหนึ่งอธิบายให้ฟังใ น, ในรายละเอียดที่ท่วนพอสมควรแต่เราอยากจะรู้ว่าเป็นมาความเป็นมาของวินัยเนี่ย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 ถ้ามีมากๆขึ้นมาก็วิตกกังวลกลัวเขาจะมาชิงมาคดมาโกงมาเบียดมาบังเ อ, อในมาแข่งดีแข่งชิงดีชิงเด่นแข่งแข่งกับเราอีกมันก็ทกใหญอีกเหมือนกันจะทํายังไงจึงเราจึงเอาชนะเสียงรอบด้านรอบข้างได้เมื่อมียศขึ้นมาก็เหมือนกันเมื่อเรามียศขึ้นมามียศสูงขึ้นมาแล้วก็ผู้ที่จะมาแข่ง